สวยฤกษอาสารหะแล้วไปวันหนึ่งหลังจากวันอาสารหบุชาเป็นวันแรมข้า1หนึ่งเดือนแปดตามสยามจารีบก็คือประเพณีในประเทศไทยนี้เป็นวันเข้าพรรษาที่ต้นพรรษาแรกแล้วก็ปชิมิกาวัตถุปัญิกาวันเข้าพรรษาที่หลังคือวันชะจันเพนเต็มดวงสวยฤกชื่อว่าอาสารหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง คือวันแรมค่ำหนึ่งเดือนเก้า 1, นี้เป็นวันเข้าพรรษาหลังเมื่อเข้าพรรษาพึงปฏิบัติวิหารปัดกวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ทำสามอิกจกรรมทั้งปวงเป็นต้นว่าไหยพระเจดีเสร็จแล้วพึงเปล่งวาจาว่าอิมัสมิงวิหารเรอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิดังนี้ห น, หนึ่งก็ได้สอง ห, ห, หรือสามผลก็ได้เข้าพรรษาเถิดถ้ามีอะไรว่าเราจะอยู่ในที่นี้ แต่ด้วยไม่มีสติไม่ได้เข้าบรรษาด้วยเปล่งวาจาเสนาสนะที่ตนถือเอาแล้วแต่สง์ก็เป็นอันถือเอาแล้วด้วยดีทานสารในขาดย่อมได้เพื่อประวัตนาแท้แค่ทําอะไรไว้ก็ถือว่าเป็นการเข้าภาษาเลยนะด้วยว่าถึงว่าเว้นวจีเพศเสียก็คือเว้นการเปล่งวาจาแม้ด้วยมากว่าทาความอาลัยก็เป็นอันเข้ารรษาได้แท้ จิตตุบาทที่คิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้นี่แหละชื่อว่าอาลัยในที่นี้แค่ทําจิตตุบาทคือการเกิดขึ้นของความคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ก็ชื่อว่าเป็นการเข้าจรภาษาละถึงวันเข้ารรษาไม่อยากจะเข้ารรษาแกล้งล่วงอาว่าไปเตี้ยต้องทุกกฎเมื่อไม่ได้เข้ารรษาที่แรกด้วยอันตรายอันใดอันหนึง่งพึงเข้าบรรษาที่หลังด้วยว่าไม่เข้าราษาเลยเป็นทุกกฎจําำรรษาไม่มีเสนาสนะก็ต้องทุกกฎเหมือนกัน เสนาสนะมุงด้วยเครื่องมุงทั้งห้าอันใดอันหนึง่งและประกอบด้วยประตูสำหรับติดเปิดได้ไม่มีแก่เธอใดเธอนั้นชื่อว่าไม่มีเสนาสนะจำภาษาในกระท่อมผีในร่มในตุม่มในโครงไม้ในาคาคบไม้เหล่านี้ต้องทุกกดแต่ในป่าช้าจะทำกุดีอื่นขึ้นจำภาษาควรอยู่แต่ในร่มและตุ่มแะโครงไม้คาคบไม้เหล่านี้ล้วนอย่างเดียวไม่ควรก็คือ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 ก็พึงอยู่กับภิกษุทั้งหลายในบ้านนั้นแล้วปวารณาเถิดจะไม่ปวารณาจะไปต่อไปไม่ควรแม้เมื่อจะเข้าภาษาในเรือก็ต้องเข้าในกุฎีแท้เมื่อแสวงหากุฎีไม่ได้พึงทำความอาลัยเถิดถ้าในภายในสามเดือนเรืออยู่ในทะเลนั่นเองก็พึงปวารณาในเรือนั้นเถิดถ้าเรือถึงฝั่งเข้าภิกษุอยากจะไปต่อจะไปไม่ควร พึ่งอยู่ในบ้านที่เรือถึงแล้วปวราวณากับพิจุทั้งหลายเถิดถ้าแม้เรือไปในที่อื่นตามปริมฝั่งแม้พิจุอยากจะอยู่ในบ้านที่เรือถึงเข้าก่อนแท้เรือจงไปเถิดพิจุพึ่งอยู่ในบ้านนั้นแล้วปวราวณากับพิจุทั้งหลายเถิดในวชชะก็คือพวกโคต่างและก็ในหมู่กุยนันในเรือสามอย่างนี้ไม่เป็นอบัตเพราะขาดภาษาย่อมได้เพื่อภารณาด้วยกระกาดัางนี้ ข้อบรรษาไม่อยู่สิ้นสามเดือนที่ก่อนหรือว่าสามเดือนที่หลังหมายถึงภาษาต้นหรือว่าภาษาหลังเนี่ยนะหลีไปเที่ยวจาริกต้องทุกกดต้องอยู่ให้ตลอดสามเดือนแต่ข้อบรรษาแล้วแม้ไม่ยังอรุณให้ตั้นขึ้นและหลีไปจากอาวาสในวันนั้นด้วยสัตตหาการนิยัตคือกิจจะพึงทำเจ็ดวันและกลับมาภายในเจ็ดวันไม่เป็นอบัติถ้าอยู่สองสามวันแล้วจึงหลีไปด้วยสัตตหาการนิยัต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 คนเจ็ดจำพวกก็คือภิกษุภิกษุณีนาสิกามานาสมณเณรสมณเณรีมารดาบิดาเหล่านี้เป็นไข้หรือว่ามีเหตุอื่นเป็นต้นว่าเกิดความประสันขึ้นแม้ไม่ส่งข่าวมานิมนต์และจะไปด้วยสัตตหาการนิยะเพื่อจะรักษาไข้และระงับความประสานเป็นต้นก็ควรแต่คนสองจำพวกก็คืออุบาสกอุบาสิกาเขาสร้างวิหารเป็นต้นและส่งข่าวมาให้ภิกษุไป เพื่อจะถวายทานและฟังธรรมเป็นต้นพึงไปด้วยตัตาหา ก, การปณิยะเถิดเมื่อเขาไม่รงขามานิมนต์อย่าถึงไปอันหนึ่งจะไปด้วยจิตสงเป็นต้นว่าตัดไม้มาซ่อมแปลงเนศนาสนะก็ควรอันหนึ่งจำภาษาอยู่แล้วสัตว์ร้ายหรืองูหรือโจรหรือปีศาจเบียดเบียนและโครจรคามไฟไหม้หรือว่าน้ำพัดไปเสียกดีหรือเสนาสนะไฟไหม้หรือลอยน้ำไปเสียกดี ย่อมลำบากด้วยบินทบาตและเสนาสนะและไม่ได้ของฉันพออิ่มหรือว่าของฉันที่เป็นที่สบายหมายถึงว่าไม่มีตปายะเนยนะหรือไม่ได้เทปัดที่เป็นของสบายและคนอุปทานที่สมควรจะคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันตรายและจะหลีไปเสียก็ไม่เป็นอบดับแต่ทันสาขาดไม่เป็นอับัติแต่เป็นสาขาดอันหนึ่งบ้านโคโจรคามหนีโจรไปเสียพิกตุจะตามบ้านไปประควร คือตามพวกคนหมู่บ้านไปอันหนึ่งจำพรรษาอยู่หญิงหรือว่าหญิงท้าตยาเป็นต้นมากเกียกล่อมว่าจะให้เงินทองนาที่บ้านและโคและทาบทิดาภรยาหรือเห็นกลุมทรัพย์ไม่มีเจ้าของก็ดีและคิดว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าจิตเป็นของกลับกลอบทันอันตรายแก่พรมจันรร์จะพึงมีแก่เราดังนี้แล้วหลีกไปเสียไม่เป็นอบัตแต่ว่าพรรษาก็ขาด ก็คือไม่ได้อ่นน า, านในสงพัรศาแน่นอ่อันหนึ่งได้เห็นหรือว่าได้ยินภิกูุทั้งหลายพยายามจะทำลายสงและคิดว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าสังฆเทศเป็นครุ ก, กรรมเมื่อเราอยู่เฉพาะหน้าอย่าให้สงแตกเลยดังนี้แล้วก็หลีกไปเสียก็ดีหรือได้ยินว่าในอาวาส น, น์พิจูดและเทสุนีพยายามจะทาลายสงและคิดว่าเธอทั้งหลายเหล่านั้นเป็นมิจฉาหายแห่งเราเราจะไปตักเตือนห้ามปราบเธอ เธอคงจะฟังคำเราทางนี้แล้วหลีกไปไม่เป็นอาบัตแต่ภาษาขาดภาษาขาดแล้วจะปรนนามไม่ได้ก็ไม่ได้อานิสงส์ของการมำรานะไม่สามารถรับกระถินได้ด้วยอันหนึ่งเขานิมนต์ให้ําราสามเดือนและรับเขาแล้วทำให้คลาดไปเป็นปฏิสวรรทุกกฎใช่แต่กระทําความนิมนต์เข้าภรษาให้คลาดอย่างเดียว แม้เขาน่มน ว, ว่าท่านจงถือเอาพิฆาตสิ้นสามเดือนหรือนัดกันว่าเราทั้งสองจัะจำภาษาในที่นี้จะเรียนบาลีในที่อันเดียวกันก็ดีรักแล้วและทำให้คลาดไปเป็นทุกกฎแต่ทุกกฎนั้นเพราะเดิมจิตบริสุทธิ์ภายหลังทําให้คลาดแม้เดิมจิตไม่บริสุทธิ์เป็นป่าจิตตีเพราะรักเป็นทุกกฎเพราะทําความรักให้คลาดถ้าเดิมตั้งใจว่าจะไม่ทํา มีจิตไม่บริสุทธิ์เทาทีแรกก็เป็นปฏิจตีทําหิคลาดใจก็อบัตทุกกดด้วยแต่ว่าทีแรกมีจิตบริสุทธิ์ทำให้คลาใจในภายหลังก็อบัตทุกขกดเป็นปฏิเสธทุกขกดอันหนึ่งท่านสอนไว้ว่าที่สุผู้เข้าจํำรรษาพึงว่าแก่ที่สุซึ่งตั้งนิพพัทธะวะัตวัดประจํานิพพัทธะวะัดเป็นเครื่องผูกหมายถึงผูกไม่กว่า ตั้งนิพัทธวัฏไว้ในภายในภาษาให้ผูกไม้กวาดไว้ถ้าคันแนสซี่หาง่ายรูปหนึ่งหนึ่งนี้พึงผูกไม้กวาดกรำไว้ห้าถึงหกกำกราบคันไว้สองถึงสามคันไม้กวาดกรำกับไม้กวาดที่มีคันถ้าคันแนสซี่หายากพึงผูกไม้กวาดกรรมไว้สองสามกำผูกไม้กวาดที่เป็นคันไว้คันหนึ่งก็ได้ สามเณรทั้งหลายพึงสักดิ์คบไว้คนละห้าอันห้าอันในที่อยู่พึงประพมด้วยน้ำฝาดแม้เมื่อจะทำกติกากันก็อย่าพึงทำอาธรรมิกวัตดคือวัดที่ไม่เป็นธรรมคือห้ามกันว่าอย่าบอกบาลีอย่าเรียนบาลีอย่าสาธยายอย่าให้คุละบทบดและอุปสมบทอย่าให้นิ้มใส่อย่าทำธรรมมสวนาะด้วยว่าทั้งปวงนั้นเป็นการเลื่อนช้า เราทั้งหลายจะเป็นคนไม่เนิ่นช้าทำสมณธรรมอย่างเดียวเถิดหรือว่าทั้งหมดด้วยกันจงถือธูดงทั้งสิบสามข้ออย่าสําเร็จการนอนจงให้วันคืนล่วงไปด้วยการยืนและการจงกรมเถิดจงถือบุคกวัตคือทําเป็นใบไม่พูดตามเนี่นนะแม้ผู้ไปด้วยสัตตาหาจารรยาญาพึงได้การแจกของเลยดังนี้ชื่อว่าอธรรมมิกวัตรวัตรที่ไม่เป็นธรรมถ้าทําเป็นทุกกฏ ถ้าใครตั้งข้อวัดเหล่านี้โมฆะวัดก็คือถือไม่พูดกันทํำดังนั้นก็เป็นทุกขกฎพึงนัดกันดังนี้ว่าวิสัยปริยัติธรรมย่อมยังสัตธำรรมทั้งสามให้ดํารงอยู่ก็เริ่มจากปริยัติธรรมเนี่ยการศึกษาทำสอนของพระสัมมาสมัมพุทเจ้าสามารถที่จะทำให้พระสัตธำมสามก็คือปริยัติสัตธำมพระปฏิบัติสัตธำมแล้วก็ปฏิเวทสัตธำมดํารงอยู่ได้ เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงบอกและเรียนสาธยายโดยเคารพเถิดอย่าทําความกระทบกระทั่งแก่พิตุซึ่งอยู่ในปธานาคระก็คือเรือนที่บำเพ็ญเพียรที่เจริญสมณะธรรมอย่าไปทําเสียงดังหรือว่ากระทบกระทั่งให้เดือดร้อนไม่เป็นตะปะยะแต่ท่านเหล่านั้นผู้ที่กำลังปฏิบัติกำลังปราาุกรมเพียรอยู่ในปธานาคะเรือนบาเพ็ญเพียรพึงไปในภายในวิหารบอกเรียนสาธยายเถิด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 ในพรรษากลางวันทั้งสิ้นในกลางคืนในยามที่แรกและที่สุดพึงไม่ประมาะเทเถิดพึงปารบความเพียรเถิดแม้พระมหาเถระทั้งหลายแต่ก่อนท่านตัดเสียซึ่งกังวลทั้งปวงบำเพ็ญเอกะัะจาริยวัตรก็คือประพฤติอยู่ผู้เดียวในภายในพรรษาอันหนึ่งพึงรู้ประมาณในการพูดกระทำคาถาคำพูดปา ร, รบวัตถุสิทธิ์ปา ร, รบอสุภัสสิ์ ปรบอนุสติสติปราลบอารมณ์สามสิแปดจึงควรพึงทําวัดแก่อาคันตุกตะและอัปโลกให้ของแก่ผู้ไปด้วยสัตาหากาตัญญะจึงควรนักการเช่นนี้ชื่อว่าธรรมนิกวัตวัดที่เป็นธรรมพึงทําเถิดอันหนึ่งพึงสอนที่สุดทั้งหลายว่าอย่ากล่าวแก่งแย่งคํายุยงส่อเสียดทำหยาบจงนึกถึงศีลอย่าให้จตุรารักเสื่อมไปเสียง จตุรารักก็คือธรรมะสี่อย่างซึ่งเป็นตัวอารักษฐานท่านก็ไม่ได้แสดงว่าอะไรธรรมะเป็นเรื่องรักษาสี่อย่างแต่ว่าธรรมะสี่อย่างที่จะต้องเจอเขาเรียกว่าสัพพะกรรมฐานกัมมฐานที่จําปรารถนาในที่จังปวงหรือว่าอารักรรมฐานกัมมฐานควรจะต้องรักษ า, าวไว้ก็ได้แก่พุทธานุสติเมตตามรรสติแล้วก็อธุภะสี่อย่างอยากให้จตุรารักษ์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 มันก็น้อมนําพิจารณาไปอย่าพูดคุยกันเวลาที่เอาบาทเข้าถุงอยู่ก็ระวังเพราะบารในกร น, นีแตกง่ายบาทดินนั่นเถอพูดหรือว่าตีพูดคุยเรื่องอื่นว่าอาจารย์น้องลืมสติแล้วก็ทำให้บริขารเสียหายเพิ่งบอกพิขาจาระวัตยาเพิ่งพูดคำกรอบด้วยปัจจัยหรือคำไม่สมควรกับมนุษย์ในภายในบ้าน พึงรักษาอินทรีพึงบำเพ็ญขันธกะวัตและเสกียวัตคำพูดที่จะนำออกจากโทษทุกข์เช่นนี้แลพึงพูดพึงบอกกันและกันพูดเป็นไปในอริยสัจเพื่อใช้ห้เกิดความเบือนายชายตำหนักเห็นโทษของวัตตะอันนี้สมควรที่จะพูดกันคำว่าอิมัสเหนงวิหารเรออิมังเตมาสังวัาสังอุเปมิแปลว่าเราเข้าถึงฝนสิ้นสามเดือนในวิหารนี้หรือว่า เราเข้าจำพรรษาว่าสังก็คือบรรษานั่นเองเราเข้าจำพรรษาเส้นสามเดือนในวิหารนี้ก็แลวิหารระสับนี้ในบาลีมักเป็นชื่อแห่งกุดีในอาลกษาบางแห่งก็เป็นชื่อแห่งกุดีบางแห่งก็เป็นชื่อแห่งวัดในที่นี้จะเป็นชื่อแห่งกุดีหรือว่าวัดก็ไม่แน่นะเพราะเหตุ น, นั้นอธิษฐานพรรษาพร้อมกันในที่ประชุมแล้วมาถึงกุดีอธิษฐานด้วยคานั้นอีกก็เป็นการดี สมกับบาลีว่าปาติปะเดวิหารังอุเปติเสนาตนังปัญญาเปติดังนี้อันหนึ่งในที่ประชุมกล่าวพร้อมกันว่าอีมัสหมิงอาวาเสอีมังเตมาสังวัสังอุเปมิสดังนี้ก็ได้ด้วยว่าอาวาสสัตว์ในบาลีเป็นชื่อแห่งวะโดยมากอันหนึ่งกล่าวดังนั้นก็สมในบาลีว่าดาวีสุอาวาเสสุวัสังวสัสติอยู่จําะสาในอาว่าของแห่ง ไม่ได้มีโทษดังนี้ก็แลประชุมกันกล่าวคำอธิษฐานพร้อมกันนี้เป็นโบราณนติคือโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านพาทำมาเพื่อจะแสดงสามาพีอันหนึ่งคำอธิษฐานพันษาเล่าก็ไม่ใช่บาลีเป็นแต่คำอัตกรถาเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงทำแต่ความอะไรก็ได้อันหนึ่งโบราณนติสืบมาท่านบอกเขตวัดและบอกให้รู้จักอรุณ อรุณแดงขึ้นมาแล้วให้ออกจากวัดได้เข้าวัดให้ทันอรุณขาวก่อนอรุณแดงอรุณขาวนี่ก็ยังไม่ขึ้นนะอรุณยังไม่ขึ้นถ้าอารุณแดงนี่ก็แสดงว่าพระทิตย์ขึ้นละก็แสดงถึงเวลาเช้าวัสุปนายิกาจบต่อไปจะกล่าวในปวรณาพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตไปว่าอนุชานานิภิกขเวเข้อความละวัดสังวุฒถานางภิก ข, ขูนงขางข้อความละ ปฏิกริษามีติแปลว่าเราสถาปนุญาตให้พิกตุซึ่งอยู่กรรมสาแล้วภาวณาด้วยที่สามพทธานก็คือด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยรังเกียปภาวนานั้นจักเป็นความอนุโลมแก่กันและกันและจักเป็นความยังกันและกันให้ออกจากอาบัตและจักเป็นความทาวินัยในเบื้องหน้าแก่กันและกันแห่งท่านทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายพึงป ร, รณนากันอย่างนี้ให้ภิกษุผู้ฉลาดพึงประกาศให้สงรู้ด้วยย ต, ติว่าสุมาตุมีบันเตสังโฆอาชาปรวรนาปนาัครสียดีสังหัสลปาปตะกัลังสังโฆปวาริยะดังนี้แล้วภิกษุผู้เป็นเถระพึงทำผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวกระสงว่า สังขังอาวุโสปวเรมิด so ิเทวาสุเตนวาปริสั่งกายวาวัดานตุมังอาเยสมันตัวอนุกัมปังอุปาลายักปัส so สันโตปฏิกระิษามิลุติยัมปีอาวุโสปวเรมิดิเทวาสุเตนวาปริสั่งกายวาวัดานตุมังอาเยสมันตัวอนุกัมปังอุปาลายักปัสสันโตปฏิกระิษามิ ตาติยามปีอาวุโสสร้างคังปวารเรมิจิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายสมัมมโตอนุกรรมตังอุปาดายะปัสันโตปฏิกริสามิดังนี้แล้วเพกตุนุ่มก็ขี่ละองขี่ล ะ, ะองค์ก็พึงทําผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองแล้วก็ยกมือประนมกล่าวว่าสร้างคังพันเตปวารเรมิจิเทนวาสุเตนวาปริสั้างกายวา วดาดุมายะทั้ ง, งมันตัวนุกับปังอุปาดายะตาตันโตปฏิกริยามีดุติยมิพันเตสร้างคำประวาเรมิตาติยมิพันเตสร้างคปะวาเรมิเพราะความละเหมือนกันหมดปฏิกริยามิวิธีต่างนี้ชื่อว่าประวารนาตัวรานานี้ก็มีความหมายหลายอย่างตรานานก็คือยอมให้ว่ากล่าวติเจนจะได้ในวันปรณ า, ายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าประวารนาหมายถึงห้ามพัดก็ได้ หรือว่าปวารณาหมายถึงอนุญาตให้ขอปัจจัยก็ได้ความหมายหลายอย่างก็แลปวรณานั้นว่าโดยวันก็มีสามวันก็คือจาตุรสีวันที่สิบีปันนรสีวันที่สิบห้าและสามาคีวันที่สองแันแล้วก็รวมกันได้พร้อมเพียงกันนับแต่วันทําอุโบสถก่อนได้สิบสี่วันให้ตั้งยติว่าอัชะปวรณาจาตุทสี ถ้าได้สิห้าวันให้ตั้งยติว่าอัชาปบรณาปรนารซีดังนี้ถ้าจำพรรษาธีก่อนให้ทำบรณาในวันเพนเดือนสิบเอ็ดถ้าจำพรรษาแรกถ้าวุ่นวายด้วยการทะเลาะชักตรณาไปวันสิ้นเดือนสิบเอ็ดหรือว่าวันเพนเดือนสิบสองถ้าเกิดมีการทะเลาะมีการเร้ารานแตกร้าวกันหรือว่าจะทำสังฆเภศกันเนี่ยสงฆ์จะแตกกันก็เลื่อนปรณาไปได้เขาเรียกว่าปรณาสงเคราะห์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 เป็นวันเขตแห่งสามคัคคีปรณนาดังกล่าวแล้วในโบสดที่เหลือนั้นก็สามารถาที่จะทําปรนนาสามคัคคีได้จะสงแตกแล้วก็รวมกันได้วันไหนภายในเดือนนี้ยกเว้นสองวันนี้เสียก็เป็นวันสามคัคคีของปรณนาได้อันหนึ่งปรนนาว่าโดยผู้ทําก็มีอีกสามก็คือสังฆปรนนาคณะป ร, ะรณนาแล้วก็ปุคละปรนนาที่สูต่ตั้งแต่ห้าขึ้นไปชั่วสง์ ในปรานาถ้าอุโบสถในสี่้าปรนานหพึงทำปรนนาดังกล่าวแล้วก่อนเถิดสี่รูปหรือว่าสามรูปสองรูปชื่อวัคนะพึงทำปรนนาดังนี้ถ้าสี่รูปหรือว่าสามรูปให้ภิกษุผู้ชราชพึงประกาศให้รู้ด้วยคณะยัตติว่าสุมันตเมียยตมันโตอัชะปวรนาปนารสี ยาายัสมันตานังปตตตนังมายังอัญยะมันยังปวารียามะดังนี้แล้วที่ตุผู้เป็นเถระพึงทำผ้าผมเฉียงบ่าทั่งหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวกะที่ตุทั้งหลายนั้นว่าอะหังเอาโซอายัสมันเตปวารเรมิดิเทนาวาสเตนาวาปริสั่งกายวาวัดานตูมังอยัสมโตอนุกรรมปังอุปารายะ ข้อความละดุติยัมปีอาวุโสข้อความละตาติยมปีอาวุโสอายสมมเตปวารีมิข้อความละเหมือนเดิมปฏิกริษามิดังนี้แล้วพิกตุนหนุ่มทุกๆรูปก็ทําดังนั้นโดยลําดับกล่าวว่าอะหังพันเตอายสมมเตปวารีมิข้อความละดุติยัมปิพันเตข้อความละตาติยมปิพันเตอายสมมเตปวารีมิข้อความละปฏิกริษามิ ดังนี้อันนี้ก็สำหรับสี่รูปสามรูปตั้งคณะยติส่วนถ้าสองรูปไม่ต้องตั้งยติประชุมกันแล้วปริสุทษุเถระพึงตามผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวปฏิสุกษุหนุ่มว่าอาหังอาวุโสอายสัมมันตังปวาเรมิจิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดัตุมังอาเยสัมา อนุกมปังอุปาดายะปะสัสนโตปฏิกริสามิรุติยมปีอาวุโสเข้าคำาละเหมือนกันตาติยมปีอาวุโสอายสมัมมตังปวาเรเอมิดิเทนวาตุเตนวาปริสั่งกายวาวะดตุมังอายะสมะอนุกมปังอุปาดายะปะสัสนโตปฏิกริสามิดังนี้แลพิจุโหนก็พึงทาดังนั้นกล่าวกับพระธระว่าอาหังทันเตอายสมมตังปวาเอมิ ยิเทเวตเตนวาวปริสั่งกายาวาวัาตุมังเยสมันโตนุกัมปังอุปาายาปันตปิกริสาิติยปิพันเตยสมนตังปวาริเหมือนกันดังนี้อย่างนี้ชื่อว่าคณะปะวารณาถ้าอยู่รูปเดียวชื่อว่าบุคคลอยู่รูปเดียวถึงว่นปรณาเข้าประพึงําอุปกา์เป็นต้นว่ากว่าโรงปรวารณานั่งคอยพิสุอื่นอยู่ในสีมา ติกตอื่นมาก็พึงทําสังฆปราณนาหรือว่าคณะปราณนากับติกตุนั้นตามมากหรือว่าน้อยถ้าเห็นว่าไม่มาแล้วพึงอธิษฐานว่าอัจฉเมปวรารณาดังนี้ในอธิษฐาก็สอนให้เติมวันเข้าด้วยว่าอัจชริปวรารณาจาตุตติติอธิษฐานิถ้าสิบสี่ค่ำถ้าสิบห้าค่ำกับอัจฉริปวรารณาปนณรสีติอธิษฐานิดังนี้ตามวันที่สิี่หรือว่าสิบห้า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 ก็คือปรนนาว่าสามครั้งปรนาว่าสองครั้งปรนาว่าครั้งหนึ่งอันหนึ่งถ้ากล่าวว่าอันนี้ท่านบอกเองท่านอมราพิรัสกิตะท่านก็แสดงความเห็น ว, หว่าถ้ากล่าวว่าย ต, ติปรนนาอย่างหนึง่งอัยติปรนนาอย่างหนึง่งแล้วก็อธิฐานปรนนาอย่างห น, นึ่งดังนี้ก็จะได้เหมืงนกันก็คือปรนนาแบบตั้งยติตั้งยติก็ก็จ <ถ ustedes S 2> งก็ตั้งสังคยติคณะก็ตั้งคณะยติ แล้วก็อาจติปรณาก็คือพิกษุนสองรูปโรนากันนี้ก็ไม่ต้องทั้งยติก็เรียกว่าอาัจติปรณาส่วนพิกษุรูปเดียวก็เรียกว่าอธิฐานปรณาแต่นี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในอธิษฐานท่านไม่ได้แสดงอย่างนี้หรอกต่อไปก็ยังมีอีกก็คือยติปรณาเนี่ยก็ยังแยกเป็นสองก็คือสังคยัติปรณากับคณะยัติปรณาสังคยติก็ห้ารูปขึ้นไป คณะยติก็สี่รูปกับสามรูปก็ต้องตั้งคณะยติด้วยปรณาส่วนอัยติปรณาเนี่ยก็มีสองเหมือนกันก็คือถ้าสองรูปปรณาแก่กันสองรูปปรนน่าแก่กันอย่างหนึง่งถ้ารูปเดียวเนี่ยนะรูปเดียวถือว่าสองรูปแล้วแต่หรือว่าสามรู ป, ปร แ, ลแ ป, ปแลแต่ปรวนน่าในสำนักทิสุอื่นซึ่งมากกว่าทรรมุบสถแล้ว ในสำนักของพิสูจที่ท่านทําอุโบสถกันแล้วอะแต่ว่ามากกว่าเช่นวันปรณนาแต่ว่าพิสูจอยู่รูปเดียวหรือว่าสองรูปหรือว่าสามรูปแต่ว่ามีพิสูจนอื่นอยู่สี่รูปขึ้นไปที่เขาจำพรรษาแรกจำพรรษาแรกที่อยู่สี่รูปขึ้นไปฉะนั้นก็ต้องทําอุโบสถเมื่อเขาทำอุโบสถแล้วพิสูุนหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็ไปปรณนาไปแสดงปรณนาต่อพิสูจเหล่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าอาัติปรนนา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 ก็เป็นวิธีการในการปรนนาเท้งนั้นเลยเป็นวิธีการในการปรนนถ้าตั้งว่าสุมาตุมีพันเตสังโคแล้วก็ปัตตะกัลังแล้วก็ลงปลายว่าสังโคปวาริยะดังนี้ชื่อว่าสัพพะสังขารการยติก็คือการตั้งยติแบับสงเคราะห์หมดเลยสงเคราะห์หมดเลยพูดรวมๆไปปรนนาแบบรวมๆไป เมื่อตั้งเช่นนี้แล้วปรานาะรูปละสามหนก็ได้รูปละสองหนก็ได้รูปละหนเดียวก็ได้ถ้าตั้งยติแบบนี้เนี่ยเป็นสัพเพสังขายาจารย์ก็ปรณาร์สามครั้งสองครั้งหครั้งเดียวได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าพรรษาเสมอการจะปรณารพร้อมกันอย่างเดียวนี้ไม่ควรถ้าเป็นสัพเะสังคายาจายติจะปรณารโดยที่มีพรรษาเสมอการปรณารพร้อมกันไม่ได้เมื่อตั้งยติ ถ้าลงตอนท้ายว่าสังโคเตวาจิกังปวารยะดังนี้แล้วปรณารูปละสามขนอย่างเดียวจึงควรอย่างอื่นไม่ควรเลยก็ตั้งยติว่าเตวะจิกาปรนารเนี่ยนะสังโคเตวะจิกังปวารยะเนี่ยต้องกล่าวสามครั้งเมื่อตั้งยติว่าสังโคไดเววาจิกังปวารยะดังนี้แล้วจะปรณารูปละสองขนและรูปละสามขก็ควรแต่ปรณาร รูปประผลเดียวและภรษาเสมอกันว่าพร้อมกันนี้ไม่ควรเมื่อตั้งยติลงปลายว่าสังโคโอเอกะวาจิกังปมารยะดังนี้แล้วจะตรารนารูปประผลหรือว่ารูปประสองผลสามผลก็ควรทั้งนั้นเลยแต่รรษาเสมอกันว่าพร้อมกันอย่างเดียวไม่ควรก็คือถ้าตั้งยติน้อย แต่ว่ามากไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งยติว่ามากว่าสามครั้งนี่สองครั้งครั้งเดียวนี้ไม่ควรว่าสามครั้งเท่านั้นเมื่อตั้งยติลงปลายว่าสังโฆสมานวัสิกังปวารยะดังนี้แล้วปรณนาทั้งปวงย่อมควรทั้งสิ้นเลยถ้าบอกว่าให้ปรณนาให้มีพรรษาเสมอกันว่าพร้อมกันควรทั้งสิ้นเลยจะว่าสองครั้งสามครั้งครั้งเดียวได้เท่านั้นเลยแล้วก็พรรษาเสมอกันก็ว่าพร้อมกันนี่นะต่อ มีเหตุจึงจะทําได้บอกว่าซึ่งปรนณาองค์สองผลองค์ละผลหนึ่งและปรนณาทันสาเสมอกันว่าพร้อมกันเนี่นะต่อมีเหตุจึงจะทําได้เมื่อไม่มีเหตุจะทําไม่ควรเหตุนั้นเป็นต้นว่าทายกถวายทานอยู่หรือว่าพิกษุฟังทำอยู่กาตรีจวนสว่างเสียปรนณาองระสามผลไม่ทนันหรือมีอันตรายทั้งสิบอันใดอันหนึ่งปรนณาองค์สามผลไม่ทนัน ให้ปรณ า, ารูประสองขนเมือปรณ า, ารูปประสองขนไม่ทันก็ให้ว่ารูประหนเดียวเมื่อว่ารูปละหนเดียวไม่ทันที่มีภาษาเสมอกันให้ว่าพร้อมกันก็ได้แต่ต้องตั้งยติดังนี้ก่อนว่าสุนาตเมผันเตสังโฆอายังบ ร, รัมจริยันตระโยสะเสังโฆเทวจิกังปวารีสติปวาริโตวสังโฆภเวสติ อาฆางป ร, รมัจจริยันตรารโยภวิตเตยยดีสังหัตลาปะตะกัลังสังโคตดเววาิกังหรือว่าเอกวาิกังหรือว่าสมานวาสิกังปวาริยะดังนี้แล้วพึงปรวรณาตามยตินั้นเถิดอันนี้กล่าวพอเป็นตัวอย่างเมื่อเหตุอื่นมีก็พึงตั้งยติหันไปตามเถิดก็คือหมุนไปตามเหตุนั้นนหะ อันหนึ่งปรณากรรมก็มีสี่อย่างเหมือนกันถ้าในวิหารอันเดียวเมื่อพิโุอยู่ห้ารูปนำปรนณาแห่งเธอรูปหนึ่งไปสี่รูปก็ตั้งคณะยติแล้วปรวนากันหรือว่าอยู่สี่รูปสารูปนำปรนณาแห่งเธอรูปหนึ่งไปแต่สามรูปหรือว่าสองรูปตั้งสังขยติแล้วปรวนากันทั้งปวงนั้นชื่อว่าอะธรรมเมนะววรกังเป็นวักโดยไม่เป็นธรรม ถ้าแล่ห้ารูปทั้งหมดประชุมแห่งเดียวกันตั้งคณะยติแล้วปรวรณาหรือว่าตีรูปสามรูปสองรูปอยู่ด้วยกันประชุมแห่งเดียวกันตั้งสังคยติแล้วปรวรณาทั้งปวงนั้นก็ชื่อว่าอธรรมเมนะสมคกขังพร้อมเพียงโดยไม่เป็นธรรมถ้าในห้ารูปนาำปรวาณาแห่งเธอรูปหนึ่งไปแต่ว่าตีรูปตั้งสังคยติแล้วปรวาณาหรือว่าตีรูปสามรูปนาำปรวาณาแห่งเธอรูปหนึ่งไป แต่ว่าสามรูปหรือว่าสองรูปตั้งคณะยะติแล้วปวารณากันทั้งปวงนั้นชื่อว่าธรรมเมนวคังเป็นวักโดยธรรมถ้าแลห้ารูปทั้งหมดประชุมกันแห่งเดียวตั้งสังคายติแล้วปวารณาหรือว่าสีรูปสามรูปประชุมแห่งเดียวกันตั้งคณะยะติแล้วปวารณาและสองรูปปวารณาแก่กันละกันอยู่รูปเดียวกระทาอธิฐานปวารณา ทั้งปวงนั้นชื่อว่าทำเมนะสมัังพร้อมเพียงกันโดยธรรมในการสีน่นี้สามข้างต้นนั้นไม่ควรควรแต่ข้างปลายอย่างเดียวฉ่นั้นก็คือพร้อมเพียงกันโดยธรรมนะอันหนึ่งเมื่อพระเถระนั่งยองปรวรณาอยู่และภิกษุนณมนั่งราบลงในอาสนะต้องทุ ก, กต้องอนุญาตให้นั่งยองปรวรณาต่อไปเรื่องหนึ่งพระเถระ ถ้าเทระแก่นะนั่งยองอยู่จนภาวนาแล้วก็สยบลงก็คือล้มสลบพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตอีกให้นั่งยองอยู่ในระหว่างนั้นกว่าตัวจะภาวนาแล้วเมื่อภาวนาแล้วก็ให้นั่งราศในอาสนะวินิจฉัยนอกนั้นก็อพึงรู้ดังกล่าวแล้วในอุโบสถเถิดต่อไปก็จะกล่าวบาลีมุตตะวินิจฉัยตามอัตฉริยถ้าทิสุจํำภ ร, รษาทีก่อนห้ารูป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 ถ้าผู้จามสาาที่หลังน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันกับผู้จามสาาที่ก่อนไซย่อมเป็นคณะภูรกักแห่งสังฆาปราณาได้พึงตั้งยติเป็นสังฆะปราณาเถธอถ้าแลผู้จามสาาที่ก่อนสารูปเป็นสี่กับผู้จามสาาที่หลังรูปหนึ่งสี่รูปนั้นจะตั้งสังฆะยติแล้วปราณาไม่ควรแต่เธอรูปเดียวนั้นย่อมเป็นคณะภูรกักแห่งคณะยติ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 ให้ผู้หนึ่งประวรณาในสำนักแห่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งทำปริสุทธิอุโบสถในสำนักผู้หนึ่งนั้นเถิดถ้าผู้จำพรรษาที่หลังมากกว่าผู้จำพรรษาที่ก่อนแม้สักรูปหนึง่งมากกว่าแม้รูปเดียวนี่นะพึงสวดปาติโมขึ้นก่อนมาถึงวันมหาประวัรณานี่นะผู้จำพรราแรกมีน้อยกว่าผู้จำพรรษาหลังแม้รูปเดียวไม่ต้องปรวรณ า, าให้สวดปาติโมขึ้นก่อน ภาหลังผู้น้อยกว่านั้นพึงปวาณาในสำนักผู้มากนั้นเถิดทำปาณิโมกแคนแะต้องมาปรวาณาที่หลังแต่ในวันปรวาณาในวันเพทนเดือนสิบสองก็คือวันปรวาณาหลังเน้ น, นะถ้าผู้จำกันสาทีหลังมากกว่าหรือเท่ากันกับผู้จำมาสาทีแรกซึ่งได้ปรวาณาแล้วในวันมหาปรวาณาไซพึงตั้งย ต, ติปรวาณาแล้วปรวาณาเถิดถ้าผู้จำกันสาหลังเนี่ย มีมากกว่าหรือว่าเท่ากันนี่นะก็ให้ทํำปรณนาไม่ทํำปรณนาแล้วก็ผู้จำภาษาแรกก็ให้แสดงบริสุทธิ์แสดงบริสุทธิ์กับปิกตุที่ปรณนาในภาษาหลังนั้นเมื่อผู้จําำภาษาที่หลังปรณนาแล้วภายหลังผู้จำภราษาที่ก่อนพึงทําปริสุทธิอุโบสถในสานักแห่งเธอทั้งหลายนั้นเถิดถ้าผู้ปรณนาแล้วในวันมหาปารณนามากก็คือผู้จําำภาษาแรกเนะี่ยมีมากกว่า ผู้เข้าบรรษาที่หลังน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่ารูปเดียวก็แล้วแต่เมื่อสวดปาฏิโมกข์แล้วภายหลังผู้น้อยกว่านั้นพึงปรวาณาในสำนะักแห่งที่ตุผู้มากนั้นเถิดให้ผู้จําภาษาหลังเนี่ยก็ปรารณาในที่ตุที่จํารรษาแรกแต่ว่ามีมากกว่าเพราะนั้นก็ให้สวดปาฏิโมกข์แล้วก็ผู้จํารรษาหลังก็ทําปรวาณาอันหนึ่งทิกตุ าจำัาษาทีแรกอยู่ภาสุวิหารก็คืออยู่เป็นผาสุกมากเห็นว่าปรณาเสียในวันมหาปรณาจะเสื่อมจากผาสุวิหารเสียอันตรธานก็แสดงว่าผาสุวิหารในที่นี้หมายถึงว่าได้วิปัสนาอย่างอ่อนได้สมถารู้วิปัสนาเนี่ยที่เป็นตรุษะ์ยังอ่อนเสียเพราะฉะนั้นก็ถ้าปรนนาแล้วที่ถึงขึ้นไหลก็ต่างคนต่างหลีกไปก็จะทําให้สมถารวิปัสนาที่ยังอ่อนเนี่ยมันเสื่อมไปเพราะว่าได้ บุคคลสปายะอยู่ด้วยกันได้จําถาอิปัสนาที่ยังอ่อนดังนั้นถ้าหลีกไปแล้วก็อาจจะทําให้เตื่อมเพราะฉะนั้นก็เลื่อนปรณนาได้เขาเรียกว่าปารณนาสงเคราะห์นแน้จะทำปรณนาสังหะคือทําอุโบสถเสียในวันนั้นชักวันปรณนาไปในวันเพ็ญเดือนสิบสองด้วยยัตติกรรมก็ได้ก็เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งสังขมพันเตปวารเรมิติเทนวาขอความรักปะติกริซามิแปลว่า ข้าพเจ้ายังส่งให้ปรณนาทั่วหรือว่าขอปรณนาต่อสงฆ์ด้วยการได้เห็นก็นดีหรือว่าด้วยได้ยินหรือว่าด้วยรังเกียจท่านทั้งหลายผู้มีอายุจงอาศัยความปราณีว่ากล่าวข้ขาพเจ้าเถิดเมื่อข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าจัดกระทําคืนด้วยเท่านี้ปรณนาจึงเป็นความอนุโลมแก่กันและกันและยังกันแกันให้ออกจากอาบัตและทําวินัยให้เป็นเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรนาเพราะฉั้นก็ คอยท่านพระพิจูตทั้งหลายเป็นผู้ที่จดจํานําข้อสอนเหล่านี้ไปประพฤติเพราะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกับชีวิตของพระพิจูตการเข้าจําลัทธาการปรณนาการทําอุโบสถต่างๆเหล่านี้เป็นชีวิตเรื่องด้วยชีวิตความเปลี่ยนแปของพิจุเรียกว่าถาชีพถาชีพเป็นไปกับชีวิตการเลี้ยงชีพของพระพิจูตแหละโกโบสถปรณนาสังฆกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสังว่าเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันเราะนั้นก็ เพื่อเฟือโดยการตระเพิดชอบเพื่อกูลจะกการที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นพระจุด้วยความผาจุกเจริญงอกงามในศีลในวัดเพื่ออบรมสมถะวิปัสสนาผู้ความพ่อคูณแห่งตรจิกขาจะได้บรรลุอริยมรรคผลเบนสาวกของมัสสัมมตมมิจ้าโดยการใ น, นเนินชานี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านสาธุสาธุสาธุ